เ ป, เป็นชีวิตอ่ะให้ทำงานเป็นชีวิตได้ทำในสิ่งที่เรารักก็ก็ทำให้ชีวิตเราเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหลังเนี่ยก็มาสนใจเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าเห็นพระเกจิอาจารย์หรือพระที่ดังๆได้สำเร็จแล้วได้โปรดญาติโยมเพียงไม่กี่ปีก็ตรง ล้มหายใจจากไปหรือบางคนก็อยู่ในสภาพที่ทำงานไม่ได้ป่วยก็เลยเอเเราก็มาศึกษาว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่างานท่านหนักเกินไปไม่ได้พักผ่อนแล้วก็การดูแลสุขภาพไม่ดีลูกศิษย์ลูกหาไม่ไม่ฉลาดในการดูแลครูบาอาจารย์ ใช้กุาลใจาจนตายว่างันเด๋อใช้กันอยู่เอามาก็เลยได้ประมวลข้อบกพร่องเหล่านี้ว่าเราจะให้ผูอื่นมาดูแลเราก็ไม่ได้แต่เมื่องานหนักเราจะทําไงที่จะต้องดูแลตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นเป็นนิดใช่ไหมธรรมันจะเจรสุจริตังธโมสุจิโนสุกรมาวหาติผู้ที่ประพฤติธรรม ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ทีนี้ทำย่อมรักษาผู้ปกครธรรมเป็นนิดก็เอ๊ะถ้าหากว่าเราปฏิบัติทมแล้วทาเรายังเจ็บยังป่วยยังไข้ไม่สบายแสดงว่าทาไม่รักษาเราสิใช่ไหมแต่รักษารักษาแต่ใจให้หมดกิเลสได้แต่กายรักษาไม่ได้ก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมกายก็เป็นธรรม เรียกเ็กรูปธรรมใช่ไหมใจก็เป็นธรรมเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมเมื่อกายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมแล้วธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วเราใช้กายประพฤติธรรมใช่ไหมกายก็ต้องได้รับการรักษาด้วยเอาม า, มาก็มาคิดในตรกะนี้ก็เอ๊ะมันจะต้องมีนะก็มาดูว่าตอนสมัยพระพุทธเจ้าจะปรินิพานเนี่ยเอ่อ มีท่านทําสัญญาณให้พระอนุลว่าการที่ผู้เที่ยวจะอยู่ต่อเนี่ยต้องมีคนนิมนต์ใช่ไหมทำสัญญาณให้พระอนุนลได้นิมนต์ถึงสิบหกครั้งเนี่ยพระอนุลไม่ไม่เข้าใจในสัญญาณ น, นั้นถ้าจะบอกโดยตรงก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านปรากฏว่ า, วามานเข้ามานิมนต์นิมนต์ให้นิพพานนะ ทีนี้พอครั้งที่17บเจ็ดชาคั้งที่เจ็ดพอพระ อ, อนุลไปนิมนต์พุทธเจ้าอยู่ต่อพุทธเจ้าบอกว่าเาพิ่งรับนิมนต์มาใ น, นเช้านี้เองว่างั้นคือจะอยู่ต่อแต่อยู่ไม่ได้แล้วรับนิมนต์ไปแล้วแล้หลังจากนี้ไปอีกสเดือนเราจะปฏิพานธ์ทีนี้ถ้าหากว่ามีาพระ อ, อนุลได้สัญญาณที่ท่านบอกแล้วเข้าใจในสัญญาณ น, นั้นท่านนิมนต์ท่านอยู่ต่อเนี่ย ท่านก็นอยู่ได้ต่อไปอีกทั้งร้อยกว่าปีนะเพราะฉะนั้นเองในอายุไขในชุดนั้นเนี่ยได้อย่างพระมหาคสปะอยู่ได้ถึงร้อยหกสิบปีนางวิสาขายู่ได้ถึงร้อยี่สิบปีแล้วก็พระอัญญากรทยะเนี่ยได้อยู่ถึงร้อยห้าสิบปีอย่างเงี้ยในสมัยนั้นน ะ, ะแต่ท่านตักหมอปณิวัาจจาันทร์ตักหมอพระวาสารวุฒอยู่ได้ถึง แปดอยปีนะฉะ น, นั้นเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยมาศึกษาดูตามที่พุทธประวัติพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะอยู่มีอายุเกินร้อยเนี่ยต้องประพฤติอิธิบาต ท, ทำสี่ประการยมจําได้ไหมอธิบาตอทธิบาตสี่มีอะไรบ้างอันนี้ชาวพุทธทุกคนต้องจำได้นะจาได้ไหมอะไรบ้างอธิบาตสี่ฉันทะ วิริยะจิตตาวิมังสาผู้ใดก็ตามต้องการที่จะให้อายุยืนพึงบำเพ็ญทำสี่ประการนี้คือท่านแต่ท่านใช้ศัพท์ใหม่ว่าฉันทาพิสังขารวิริยาพิสังขาราขาจิตตาพิสังขารแล้วก็วิมังสาพิสังขารมันคมีคาว่าอภิสังขาร ข, ขึ้นมาถึงหมายเขาว่าคนนั้นจะเริญฉันทะเป็นประจำคือความอ่า พึงพอใจในคือความรักในสิ่งที well so health, work work. ่ตัวเองทําคืออย่าฝืนใจทําในสิ่งที่เราไม่รักอะไรก็ตามที่เราพอใจทําให้ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดทํามีความถ้าจะว่ามีความสุขในการทํางานข้อที่หนึ่งนะเอาไปง่ายๆงานอะไรก็ตามที่ลงมือทาให้มีความสุขในงานอย่าฝืนใจทํางานงานอะไรก็ตามที่เราทําอย่าฝืนใจทํางานอะไรแล้วทําแล้วไม่มีความสุขอย่าพึ่งทําเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้นะหนึ่งให้มีความสุขในการทำงานฉันได้สองวิทยาพี่สังขารงานที่อะไรกระทำที่ทำเป็นประจาเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมีมีรูทีนของมันก็คือว่าถึงเวลาสมมติว่าถึงเวลานอนต้องนอนถึงเวลาตื่นต้องตื่นเวลากินต้องกินคือพักผ่อนหลับนอนกินอยู่ให้เป็นเวลาอย่าจะมาเนี่ยนอนเอาสามทุ่มตื่นตีสาม หรือที่สามครึ่งเขไปตื่นนอนสามทุ่มครึ่งไปตื่นที่สามครึ่งมันจะเละตามนะั้นประมาณ6ชั่วโมงถ้านอนสองทุ่มเขไปตื่นที่สองนอนสามทุ่มไปตื่นที่สานอนสี่ทุ่มเขไปตื่นที่สีตอนแรกเราต้องรักษาเวลานี้ไว้ก่อนพอพอมันเกิดเป็นอภิสังขารหมายคาอว่าร่างกายมันปรับเข้าล็อกของมัน ลักษณะร่างกายเป็นปรับข้อล็อกมัอย่างนี้เรียกว่าอาภิสังขารคือมันเกิดความารู้กดโดยอัตโนมัติธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติตอตของมันเรียกว่าอาภิสังขารแล้วก็ทําความรักในสิ่งที่เราทําน่ยจนเป็นนิสัยแต่ถ้าวอารักในสิ่งเท่านียังไม่เป็นนิสัยยังไม่เป็นอภิสังขารเราปรับเวลาว่าเจ็ดโมงเช้าต้องหันหารเช้า มา ต, ตื่นม า, ม 4, า 3, ถึงว่าทีสี่ทีสามรือทีสี่ทำพระส่วนตัวต 4, ต 5, ออกกทีสี 5, ถ at, ่ถึงทีห้าออกกำลังกายทําโยคะทีห้าถึงหกโมงเช้าทำวัดฟังธรรมหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิเจ็ดโมงเชา้าทานอาหารเชา้าแล้วแปดโมงก็ทํางานก็ทําอย่างเนี้ยคื อ, ค, อคือไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรือจัดงานอบรมก็ตามก็จะอยู่ในโปรแกรมอย่างเนี้ ลักษณะที่เรารักษาเวลาให้เป็นเวลาของชีวิตอย่างนี้ให้ชัดเจนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกเป็นวิริยาพิสังขารปิดไปได้ไหมในชีวิตในเมืองหลวงเราเป็นไงตีหนึ่งตีสองยังไม่ได้นอนเลยใช่หมเพราะถ้าหากใครก็ตามเนี่ยถ้าตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสองไม่ได้นอนพลังชีวิตจะเสียไปเพราะอะไรเพราะจะช่วงห้าทุ่มถึงตีสองเนี่ยเป็น ช่วงที่นอนหลับสนิทที่สุดนะและช่วงจากแต่ตีสองถึง6โมงเชา้าเป็นช่วงที่พลังของจักรวาลเขาจะมีพลังจักรวาลออกมาร่างกายเราถ้าเราตื่นช่วงนั้นเราก็จะเริ่มนะได้รับนะแต่เสียดายล้วไปตื่นกี่โมง7โมง8โมง9ม้าโมง10โมงพลังชีวิตก็ไม่ได้รับ แล้วจากช่วงห้าทุ่มถึงทีสองเราเราได้ดิฟดิฟสลิปมัม้ยลับลึกมัม้ยลับสนิทมั้ยไม่เลยตรงนี้คือเราไม่ได้ละวิทยาพิสังขารเพราะมันชีวิตมันผิดจากเป้าหมายหมดแล้วก็อันที่สามอะไรนะจิตตาพิสังขารทำให้จิตของเรามีความ ตื่นตัวมีความรู้ตื่นเบิกบานจนเป็นนิสัยรู้ตื่นเบิกบานจนเป็นนิสัยแต่ถ้าหากว่าจิตไม่รู้ตื่นเบิกบานจนเป็นนิสัยก็ยังไม่เป็นอภิสังขารอย่าลืมคําว่าอภิสังขารคือหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นชมิวชีพนาญจนเป็นนิสัยทีนะ่สงบจิตสบายทําจิตให้สบายได้ทุกที่อย่ามาต้องการนอนหลับสักยี่สิบนาทีก็นอนได้เลยมิคี ตั้งแต่นั่นมาตั้งแต่เช้านะี่ยังไม่ได้พักเลยนะเพราะนอนรถทั้งคืนก็งิบสักยี่สิบนาทีอ้าวพรตื่นเวลาเพรได้เวลาก็ตื่นมาทํางานต่อนะคือฝึกจิตให้มันหลับได้ตื่นได้เป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้ฝึกเอานะี่ยไม่ใช่มันเป็นเองถามว่าโยงฝึกได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าทําสิ่งนี้ประจําอันสุดท้ายเรียกว่าอะไรนะวิมังสาพิสังขาร วิมังสาแปลว่าอะไรมังสาแปลว่าอะไรมังสวิรัตมังสาแปลว่าเนื้อใช่ไหมวิมังสาแปลว่าเนื้อที่ดีที่สุดเนื้อที่วิเศษเนื้อลักษณะสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งวิเศษที่สุดที่เราต้องการในตัวเราคือตัวปัญญาใช่ไหม เ, เพราะนั้นตัววิมังสาตัวนั้นคือตัวปัญญาคือจะทำอะไรก็ตามให้คานึงสิ่งที่ ที่สิ่งที่เป็นประโยชน์มีสาระเสมอด้วยกายวาจาใจสิ่งไหนถ้าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องทําสิ่งนั้นอยู่เฉยๆการที่อยู่เฉยๆเนี่ยได้สาระประโยชน์มากกว่าสิ่งไหนที่จะพูดพูดไปแล้วไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดสิ่งไหนที่คิดแล้วมีสาระประโยชน์ค่อยคิด ถ้าไม่มีสาระประโยชน์ไม่ต้องคิดหยุดสิ่งนี้ฝึกได้ไหมถ้าทำได้เรียกว่าวิมังสาพิสังขารเพราะนั้นถ้าหากใครทำได้ท่าบอกอันนั้นอายุจะยืนจะอยู่ได้เป็นร้อยปีหรือเกินร้อยก็ได้พระอาจรย์ทีอิทธิบาทสีว่าผู้ใดก็ตามเจริญอิทธิบาทสีเป็นประจำผู้นั้นสามารถมีอายุเกินร้อยได้โดยที่มีพลานามัยที่เข้มแข็ง ไม่ใช่อายุเกินร้อยแต่ว่าเจ็บป่วยไม่ใช่นะเมื่อปีกลายเอามาขอนอกเรื่องนี้ปีกลายได้เชิญชุดทีมหมอเขียวไปาสาธิตการใช้แพทย์ทางเรื่องที่เอเมริกาไปสามรัฐที่อยู่เอลอเจ็ดวันที่ลาสเวกัสเจ็ดวันแล้วก็ที่เท็กซัสเจ็ดวันทีที่ก่อนที่จะ มีการเข้าคอร์ดสุขภาพของเมาเขียวเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนว่าใครมีความดันเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่น้ําหนักอะไรวัดกันก่อนเพื่อที่จะอะอกคอร์ดมาแล้วเดี๋ยมอวัดอีกทีว่ามันมีค่าต่างกันไหมที่มาก็เข้าไปด้วยที่หมอที่เช็คเนี่ยเป็นหมอฝรัง่งเพราะคนประกันเขาอยากจะรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกดีจริงหรือเปล่าตรงนั้นเนะขาเลมาเป็นคนตรวจเบื้องตน้นมันมาก็ไปตรวจกับเขาด้วย เาตรวจอะไรเสร็เรียบร้อยนอะบอกเออยูนี้ไม่ต้องเข้าเพราอะไรแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ห2สิ6สองหสาหกสิบสามย่างสุขภาพยูเนี่ยเหมือนกับเด็กอายุสิบปดปรนัเพราะงั้นไม่ต้องเข้าเลยเพราะ่อก็ถามว่ามีวิธีรักษาสุขภาพย่าย้อนถามน้าหญิงนะก็ทำบอกโปรแกรมอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็คือกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฝึกให้ได้ ถ้าเราประพฤติทำแบบนี้เรียกว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ยากที่เขาจะรักษาเรานะเพราะฉะนั้นถามพวกเราทั้งหลายว่าในชีวิตนี้เราต้องการอะไรใครตอบได้บ้างในชีวิตสูงสุดเราต้องการอะไรยมในชีวิตขยมสูงสุด ต, ต้องการอะไร เขาถก็ขทขาเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อตัวเองแล้วตัวเองจะไปทำอะไรต่อ <c oughs> คือคำตอบมันยังไม่ฟิกอะ่ะเอามาถึงไล่ตอบไปอย่างนั้นคำตอบมันยังไม่ฟิกว่าเพื่อเข้าถึงทำเพื่อชีวิตตัวเราเพื่อชีวิตตัว เ, <c oughs> เพื่ออะไรตอบไปมันยังให้คำตอบสุดท้ายไม่ได้ขอคำตอบอีกคำตอบหนึ่งสุดท้าย <c oughs> เพื่ออะไรจริง เพื <idée> ่อความสงบสุขใช่ไหมเออทุกคนปรารถนาต้องการได้มะขุนนิพพานเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่สงบสุขใช่ไหมถ้าได้มะขุนนิพพานแล้วชีวิตไม่สงบสุขเอาไปทําไมนิพพานใช่ไหมทุกคนปรารถนาความสงบสุขแต่เมื่อเราปรารถนาความสงบสุขทั้งกายได้ใจแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการไะมเราต้องการความสงบสุขใช่ไหม แต่ว่าสิ่งที่เรากระทำทุกวันเนี่ยมันนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงไหมให้ไปคิดเรื่องนี้นะถ้าชีวิตต้องการความสงบสุขที่แท้จริงให้เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ไปแต่ถ้าหากาเราไม่รู้เป้าหมายว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหมันคว็งๆหน้า ด, ดูนะชีวิตใช่ไหมไม่มีที่พึ่งเลยแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรที่เราขวนขวายพลควาแสวงหาดิ้นรน อย่างทุกอันเนี่ยเราต้อง <c oughs> ต้องชัดเจนในเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรถ้าเราไม่ชัดเจนเป้าหมายเราไปไม่ถูกนะว่าเราจะเอาอะไรเอารวยที่สุดเพราะคนเข้ า, ขารวยมาแล้วเขาก็ยังสงบสุขหมไม่สงบใช่ไมเอามีชื่อเสียงที่สุดแล้วคนที่มีชื่อเสียงแล้วเขาสงบสุขเป็นไหมไม่เป็นออแล้วว่าคนที่ได้มรรคผลผนิพพานแล้วสงบสุขที่สุดยังสงสัยเพราะเรายังไม่ได้ ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นอาดามาก็ตรวจตรวจเช็คเป้าหมายนีว่าจริงๆเราต้องการอะไรคิดสักเจ็ดวันวต้องการอะไรบอกว่าต้องการความสงบสุขแล้วสิ่งที่เรากำลังทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราทำเพื่อความสงบสุขหรือยังอ่าเพื่อความสงบสุขแล้วสิ่งที่เราต้องการเพื่อความสงบสุขคืออะไรบอกไม่มีนีิสัยไม่มีโรคไา้ไข 7, ้เจ็บร่ำรวยที่สุด มีเพื่อนที่ดีมีลูกที่ดีมีสามีผู้ดีมีภรรยาที่ดีถ้าทมีสิ่งเหล่านี้ดีครบอย่างนี้ถามว่าเราจะสงบสุขจริงไหมใช่ัหมเออลองไปหาคำตอบให้ชัดชัดและวันไหนที่ได้คำตอบชัดเจนให้ลงมือทำสิ่งนั้นตั้งแต่วันที่ได้คำตอบอย่าให้มันช้าเกินไปกำลังหาคำตอบเอาพวกนี้เกิด โลกระายเกิดอุบิเหตอะไรต่างๆขึ้นมาเมืม่อท่ันได้คำตอบที่แท้จริงเอาไปเสียแล้วอย่างนี้นะเสียดายชีวิตนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมือ่อมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วอามาก็เลยตั้งแต่วันนี้ไปชีวิตต้องไม่เป็นทุกข์เรารู้วิธีแล้วล่ะนะก็ง่ายๆอย่างที่เราว่าคือมีความความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตใช่ไหม เนี่ยง่ายๆท่าอเอ็มอินเ h e ย e ฮไอเดนเอฉันอยู่ในขณะ น, นี้แลเดี๋ยวนี้คืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราไม่สงบสุขส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดใช่ที่ความคิดมาจากไหนมาจากที่มันมีอดีตและอนาคตเป็นตัวปรุงถ้าไม่มีอดีตอนาคตเราจะคิดเป็นไหม ไม่เป็นเพราะตัวปัจจุบันคือตัวอยู่สภาวะความจริงขณะนี้ลองมาดูชีวิตจริงๆว่าเราสภาวะอะไรบ้างที่กําลังปรากฏในตัวเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดหนักน่วงอับอ้าวหรือสบายไม่สบายสัมผัสได้ไหมถ้าสัมผัสได้ตัวนี้ชัดๆเนี่ยมันมีความคิดไหมมีไหมตรวจสอบทุกคนตรวจสอบความคิดมันมีไม่ได้ แต่ที่มันเรารู้ปัจจุบันอยู่แต่ก็ยังมีความคิดอยู่ก็แสดงว่าเรายังสัมผัสสิ่งที่เป็นปัจจุบันชัดแล้วหรือยังยังไม่ชัดมันถึงคิดได้แต่ถ้ามันชัดจริงๆเนี่ยมันคิดไม่ได้ใช่ไหมฮอันนี้ไปทดลองนะไม่ต้องเชื่อต่อมานะไปทดลองดูว่าสิ่งที่เราสัมผัสปัจจุบันจริงๆเนี่ยชัดไหมร้อยเปอร์เนเนี่ยเราสัมผัสมันกี่เปอร์เซ็นในคำว่าปัจจุบันดังนั้นเองในวิธีการกรรมฐาน ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทดสอบไปมาทั้งนั้นอะโยมกว่าจะมาถึงวันนี้ได้หลายคนได้ผ่านการศึกษาการฟังการอ่านการสนทนาการสอบตอบถามปัญหากับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะทีนี้เราได้คาตอบอันที่ว่านี้ไหมยังนยังไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนไหนได้แล้วก็ให้คิดว่าไม่ประมาณนะได้เริ่มบางคนก็อาจจะได้แล้วก็ได้คือเริ่มมาศึกษาและตรวจสอบ ในชีวิตปัจจุบันจริงๆชัดๆเนี่ยถามว่ายากไหมการที่หยิงจิตมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ยากแต่มันเป็นช่วงระยะสั้นๆทำยังไงให้มันเป็นช่วงที่ยาวๆในช่วงนั่งยังไงให้มันสบายให้นั่งใช่ไหมหายใจยังไง ใ, ไหให้มันสบายให้หายใจใช่ไหมแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราเรานั่งสงบนิ่งเข้าสมาธิถามว่าสงบจริงไหมสงบจริงมันเก็บประมาณสักชั่วโมงเนะี่ยมันจะสงบจริงๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมไม่ได้แล้วสักพักมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบสิ่งที่เราทําแต่ว่าการที่เราพยายามสแสวงหาความสงบสุขความสบายใส่ตัวเอง ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะสั่งสมนิสัยขี้เกียจติดสุขติดสบายไม่ใช่อย่างนั้นเราสามารถจะทำงานตากแดดตากฝนได้เพราะความสงบสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสงบสุขทางกายเท่านั้นแต่ความสงบสุขทางกายมีเป็นบางครัง้งบางคราวแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำให้ได้เป็นอย่างท้าวอนคือความสงบสุขทางจิต าทางกายเนี่ยเราจะไปฝึกฝนให้มันสงบขนาดนี้มันก็สงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะรูปอะไรก็ตามที่เป็นรูปทั้งหลายทั้งปวงมันจะต้องเป็นไปจากอานาจของกฎกฎอะไรกฎใตรักใช่ไหมใจรักคืออันนี้จยางผู้ขังอนัตตาคือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลือดลมต้องเปลี่ยนแปลงลมหายใจต้องเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนี่มันก็นาไปสู่ ความชลาคือความเจ็บความปวดความไม่สบายแต่ความชลานี่ก็นำไปสู่ความแตกดับก็คือการเปลี่ยนไปเรื่อยๆทา่ทานท่านนี้สักพักหนึ่งนั่งไปได้นานไหมเดี๋ยวท่านนี้ก็ต้องแตกดับแล้วใช่ไหมแตกดับไปเกิดท่าใหม่แตกดับท่านนี้ก็ไปเกิดท่าไหนเกิดท่านี้ท่านนั้นแตกดับไปแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นอนัตตาเอามาจะเรียนรู้เรื่องใจรักง่ายๆอย่างนี้นะจะไม่ให้ซับซ้อนขณะนั่งเนี่ย อเอาเขาเปลี่ยนไปสักพักมึงถามว่านั่งเปลี่ยนไปได้สบา ย, ดยได้นานไหมไม่ได้นานเพราะมันเปลี่ยนแปลงสักพักหนึงทรั้งนี้ก็ต้องแตกดับไปท่าอื่นต่อไปอีกนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นรูปสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแต่ลักษณดังนั้นรูปกับคําว่าแต่ลักเนี่ยเป็นอันเดียวกันโคลานตลอดเวลารูปของเราจึงเป็นแต่ลักคือเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของความ ะชะลาอ้าวพาคที่ตั้งข้องการแตกดับตลอดเวลานาหายใจเข้าอคือการเปลี่ยนแปลงสักพักหนึ่งมันก็ต้องแตกดับการหายใจเข้าพอแตกดับปั๊บมันจะกลายเป็นหายใจอะไรหายใจออกหายใจออกแล้วสักพักมันก็แตกดับก็กลายไปเปลี่ยนเป็นหายใจเข้าย่อยู่ด้วยการแตกดับตลอดเวลา อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอยู่ด้วยการอาพาธและเสื่อมตลอดเวลาในอันนี้ในรูปของรูปกายนะแต่จิตของเรานั้นพระพุทธเจ้าได้ค้นพบว่าจิตใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องแตกดับไปตามกายจิตใจนั้นไม่จำเป็นต้องหมุนไปตามกฎของอนิจจังขรคขระอนัตตาทางด้านจิตหรือนามเนี่ยสามารถอยู่เหนือ อำนาจของนิจจังทุกขังหน้าตาได้โดวยวิธีใดนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นผลของวิบากใช่ไหมรูปนามอันนี้สืบทอดมาจากวิบากกรรมของบรร พ, พบุรุษเราเพ่อบรรพบุรุษเราอยู่ด้วยอวิชชาจึงทําให้รูปนามนี้เกิดมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเราได้เกิดรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเสียก่อนเรามีโอกาสได้เกิดไหมไม่ได้เกิด เมื่อท่านรู้ทำเห็นรมบรรู้ทำแล้วเรื่องอะไรท่านจะต้องมาสร้างเราอีกใช่ไหมท่านก็ไม่ต้องมาแต่งงานกันท่านไม่ต้องมารักมาหลงกันให้เกิดเราอีกแต่ผลที่ท่านเมื่อเกิดภายสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันแล้วไม่รู้เท่าทันก็เกิดชอบเกิดรักเกิดหลงกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดมาเป็นรูปน้ำใหม่ขึ้นมาเป็นตัวเราเราก็เป็นวิบากกรรมแห่งความทุกข์ของท่านตุกข์ความไม่รู้ของท่านมาชั้นเราอีกถ้าเราไม่ได้สึกษาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนเราก็จะต้องสร้างอะไรใหม่ต่อไป สร้างวิบากกรรมใหม่ต่อไปให้ลูกให้หลานต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็เรียกว่ามีการเกิดการตายมีการเกิดใหม่คือการลักษณะเกิดอย่างนี้นะในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดแล้วไปล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพิสูจน์ไม่ได้นะเป็นศาสนาพราหมณ์แต่ศาสนาพุทธนั้นพิสูจน์ได้เออถ้าสมมุติว่าผมอยากจะมาในเกิดมาแล้วไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกและคนที่จะไปเกิดที่รับวิบากต่อไปก็ไม่มีสิ แล้วจะตอบว่ายังไงอ่าแสดงว่าคนไหนก็ตามที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกคนนั้นก็ไม่ต้องมีวิบากต่อไปดีเขาจะเอาอะไรไปเกิดอันนี้เป็นคำถามนะดังนั้นในจุดนี้จึงให้กลับมาศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้กฎของใจรักเนี่ยล่วงล้ำไปถึงนามคือจิตใจ ให้มันอยู่ในขอบเขตแค่รูปนี้เองแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีการปฏิบัติไม่มีการศึกษาไม่มีการเจริญวิปัสนาแล้วแน่นอนแต่รักที่มันติดอยู่กับรูปนี้มันก็จะต้องเข้าไปครอบนามด้วยเข้าไปในแบบไหนเอาละทีนี้เรามาพิสูจน์กันขณะที่เรานั่งเนี่ยนั่งนี่ประมาณสักกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงได้เนาะครึ่งชั่วโมงถามว่าในครึ่งชั่วโมงนี้โยมเปลี่ยนท่านั่งไปกี่ท่าแล้ว บางคนก็สองบางคนก็สามบางคนก็เป็นสิบแล้วใช่ไม้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยถามว่าเพราะอะไรจึงเปลี่ยนตอบได้ไหมตรงนี้ต้องหาคำตอบนะเพราะเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรจรึงอยากเพราะไม่ค่อยสบายหนักน่วงพวงทับเขาก็เปลี่ยนให้สบายหรือเปลี่ยนเพราะความเคยชิน เพราะนั้นเราต้องหาเหตุผลในการเปลี่ยนลักษณะการเฝ้าดูและหาเหตุผลในการเปลี่ยนนี้เองเป็นการตั้งต้นของคําว่าจเจริญสติจเจริญสติจเจริญปัญญาละแต่ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนโดยรู้สึกไหมว่าค่อยอะไรจึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอย่างไรนี่เราเราเคยมีการเฝ้าดูตรงนี้ไหมมีแต่ว่าน้อยมากนะมีไม่ใช่ไม่มีบางคนก็รู้ทันการที่เรา บำบัดทุกขเวทนาตรงนี้ถ้าถามลึกต่อไปอีกว่าเรานั่งตรงนี้มันก่อให้เกิดความไม่สบายจึงเปลี่ยนอะไรทำให้ไม่สบายอันนี้ช่วยกันคิดนะไม่ใช่อาจมาจะพาไปอย่างเดียวนะแล้นั่งแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรทำให้เราต้องเปลี่ยนพอจะตอบร่วมกันได้ไหมเพราะว่าในขณะที่เรานั่งเปลี่ยนนี้คือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของอะไร เลือดลมใช่ไหมและเลือดลมนี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในทุกเซลเมื่อเรานั่งทับเขาอยู่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเขาสะดวกไหมน้ําหนักของเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่ทับลงไปในตรงนี้เมื่อทอเลือดเท่าลวมที่ที่เรานั่งทับเขาอยู่เนี่ยมันก็เกิดการต้านเพราะมันผ่านไม่สะดวกใช่ไหมแล้ว ร, รู้ได้ไงรู้เวลาเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเบาทันที ใช่ไหมเพราะตรงนั้นพอเรายกขึ้นปับ๊บน้ําหนักเอายกเอาน้ำหนักออกใช่ไหมพอยกเอาน้ําหนักออกท่อเลือดท่อลมที่มันถู ก, กตีดันเมื่อกี้มันก็ไปไงโลง่งเลือดลมก็ผ่านจุดไปเลยจุดไปความเบาก็เกิดขึ้นแต่พอนั่งทับลงไปทักมาอีกความหนักก็เริ่มใมาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นกฎของอนิจจังทุกขังอัตตาที่เป็นรูปธรรม ท, ที่เห็นได้ด้วยตัวเองนะ ลักษณะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของเรือนลมทาให้เกิดการหนักคือตัวหนักนี่เป็นชื่อของเขาว่าชะลาอ า, าพาศนะหรือเราใช้คาว่าทุกขเวทนานะทุกเวทนาทีนี้วันหนึ่งถามว่าไอความที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนอยู่อย่างเนี้ยกี่ครั้งแล้วเราตามรู้มันกี่ครั้งตัวนี้เหลือวิสัยที่เราจะตามรู้ได้ไหมยากเหลือวิสัยไหมยยง ฮะยากแต่ไม่เหลือวิสัยใช่หัหยไม่เหลือวิสัยที่จะรู้ได้นะแต่ถ้าเราตามรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางพุทธศาสนาซึ่งไม่มีในมหาลัยไหนสอนกันนะแล้วก็การเปลี่ยนมีสองลักษณะหนึ่งการเ ป, า เ, เปลี่ยนโดยความเคยชินสองเปลี่ยนโดยความ รู้สึกตัวก่อนเปลี่ยนเครื่องมีปัญหาแล้วนะลักษณะของการเปลี่ยนมีสองลักษณะคือหนึ่งเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเราเรียกว่าเปลี่ยนไปโดยสัญชตาตญาณสองเปลี่ยนโดยตั้งใจที่จะรู้แล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนโดยสติที่เป็นปัญญาญาณ ทีนี้เรามาดูว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีบุสี่ยืนเดินนั่งนอนอีบุเยอะทั้งหลายที่เราเปลี่ยนนี่เราเปลี่ยนด้วยความตั้งใจรู้กับไม่ตั้งใจรู้เนี่อันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่าไม่ตั้งใจรู้เนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมอันนี้คือเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องนี้แต่การที่จู่ๆเราจะไปตั้งใจรู้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นให้มากเนี่ย เรียกว่ามันเป็นไปได้ยากดังนั้นเองกรรมฐานลักษณะวิธีการของหลวงพ่อเทียนก็คือให้มาฝึกตัวรู้เนี่ยซ้อมตัวรู้ตัวเนี่ยให้มากด้วยก่อนด้วยการมาฝึกตัวรู้กับการเคลื่อนไหวเพราะว่าตัวชีวิตกับการเคลื่อนไหวเนี่ยแทบจะกล่าวว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าเราได้ใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดมาเป็นที่ตั้งของตัวรู้มันจะง่าย และมันจะทำได้มันจะทำได้เยอะนะแต่ถ้าหากว่าเราเอาลมหายใจก็ดีเอาหน่อก็ดีเอาพูดโทก็ดีเอาสัมมาระหังก็ดีมาเป็นที่ตั้งของตัวรู้ได้ไหมได้แต่ถามว่ายากหรือง่ายสาหรับธรมาพิสุจน์มาแล้วมาว่ายากสาหรับธรมาเพราะเคยนั่ง เริ่มต้นเริ่มต้นกรมรมฐานมาแต่แต่ส่วนโมกนะกับหลวพ่ อ, อพุทธทาสท่านให้ไปดูอนาปานาสตินับลมหายใจหนึ่งสองสามเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าออกหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแล้วแต่ว่าหายใจสั้นหายใจนับอยู่อย่างเงี้ยนับไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องหลับตาใช่ไหมหากกว่าท่านาหลับตาพอนั่งไปสักพักหนึ่งเรงาก็เริ่มสงบพอเริ่มสงบเราก็เริ่มเป็นไง ง่วงอ่าพอง่วงสักพักึงแล้วก็ลื่มตาขึ้นมาทำไมอย่างเงี้ยมันก็จะทำอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากในช่วงไหนสติสัมเริ่มเข้มแข็งปั๊บเราก็นั่งกึ๊บสงบเข้าชานไปเลยนิ่งนั่งได้หลายชั่วโมงออกมาเออตัวเบาสบายสว่างสวัยไปพักหนึ่งออาเวลาเราออกมาทำการทำงานข้างนอกเราก็ทาตามความเคยชินเราเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็ทำอยู่สองสามปีวันหนึ่งมันดูแล้วมันมันไม่ก้าวหน้านะเข้าไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อผมนั่งแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ง่วงมันก็เข้าความสู่สงบมันไม่สงบมันมันก็เป็นนิวร์มันนิวร์มันก็สงบมันก็สลับกันอยู่เนี่ยมันมีแค่นี้นะมันบอกว่าเนี่ยเรื่องของอนาปณะสติทั้งหมดผมอธิบายไว้ใน อาณาปณะสกิสิบหกขั้นให้ไปศึกษาตรงนั้นโอ้โหขณะนั้นเราต้องการคําตอบว่าจะทําไงอารมณ์ที่เป็นอย่างเนี้พอท่านตอบมาอย่างนั้นป๊อปควจะไปหาค้นที่ไหนอาณาปณะเสตสิบหหนังสือเล่มไหนมันก็เลยไม่ต้องการคําตอบจากท่านแล้วต้องหาคําตอบด้วยตัวเองในที่สุดก็เริกจากวิธีการนั้นพอดีเรียนมหมายจุฬาก็หลวงพ่อ โชโดกเจ้าคุณเทราสมหามุนีวัฒมหาธาตุท่านสอนหนออยู่ใช่ไหมในสมัยนั้นก็ไปทําหนอนะตาเห็นรูปตาเห็นเป็นรูปรู้การเห็นเป็นนามได้ยินเป็นรูปรู้เป็นนามสัมผัสเป็นรูปรู้เป็นนามนึก ค, คิดเป็นรูปรู้เป็นนามก็จะท่องอย่างนี้ก็ทําไปได้ทำอยู่ที่คณะห้าบางครั้งก็มาทําที่หมหาจุลาเรียนอยู่ที่เขาเนี่ยก็ทำได้เป็นปีก็เหมือนเดิมนะ คือสงบแต่เวลามีปัญหาให้คิดก็คิดฟุ้งสั้นเครียดเหมือนเดิมบางทีเครียดยิก่งกว่าเดิมอีกก็ในช่วงนั้นก็ได้ศึกษาได้ฟังข่าวจากหลวงโอเทียนจากอาจารย์กวิทย์ก็สมัยนั้นออกจากสวนมกมาก็มาติดถึงสืออาจารย์กวิทก็ฟังอาจารย์กวิทแต่หลังมาอาจารย์กวิทพูดถึงหลวงโอเทียนเออหลวงโอเทียนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ได้ตามหลวงโอเทียนจเจ อ, จอที่วัดสวนแก้วเมื่อก่อนที่วัดสวนแก้วของอาจารย์พยอมแล้วก็ ทักระายมันตามมาที่นี่ตั้งแต่นั้นมาการภาวนาแบบเคลื่อนไหวก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาแต่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆนะเพราะมันติดความสงบติดหนอติดไดไรมาเยอะใช่ไหมก็ตอนแรกก็มาเดินจงกรมก่อนไม่ค่า้าสร้างจังหวะไป <c oughs> สร้างจังหวะนี่มันอาการประหลาดนะสำหรับคนนั่สมาธ <c oughs> ินั่งแล้วก็รู้สึกอาการมันก็เลยเออเดินจงกรมก็พอแต่เดินจงกรมบางครั้งก็กลับไปเดินแบบหนอนะ <c oughs> เดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ เดินเยอะบางทีเดินทั้งคืนเลยตั้งแต่สองทุ่มถึงดีสีนะอยากจะให้มันรู้แต่ปรากฏว่ามันได้ปิตินะมันได้แต่ปีติแต่เกินกว่านั้นก็ไม่ได้อะไรที่นี่ในช่วงนั้นทํางานหลายอย่างทํางานกําลังเรียนบัณฑสอ น, นทำสอนบาลีพุทธศาสนาวรนอาทิตย์ก็จะสอบอะไรต่างปัญหาเยอะเลยก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็หลบเข้าไปนั่ง ดูหนังสือที่ในสวนนั่งไปนั่งมามันมือหัวเวียนหัวก็เลยมานั่งลองยองยกมือแบบที่ท่านสอนบ้างดินั่งยกมือดูชา้าช้านะยกไปประมาณสักห้านาทีไอสิ่งที่มันปั่นอยู่ในหัวติ ว, ต, ว, ต, วติวนะหายวุดนไปเลยแล้วเบาเบาสบายแล้วก็นั่งทําต่อจนกระทั่งถึงเย็นนเะข้าไปประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสอง ถ, งถึงเย็น อ, อรู้สึกสบายเริ่มตั้งแต่สร้างจังหวะตั้งแต่วันนั้น ต, ต, ต่อมาเลยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างให้เราเห็นชัดๆเหมือนว่าสร้างจังหวะแล้วมันดียังไงนะแต่เรานั่งปั๊บๆไม่ไม่เห็นเลยไม่รู้มันไม่มีแรงจูงใจไม่มีแรงบันดาลใจแต่จุดนั้นเป็นแรงบนันดาลใจของธรรมาเพราะจู่ๆที่เราเรื่องมันคิดเต็มหัวตึงเครียดอยู่เนี่ยมันเกิดวืบหายไปได้วยการสร้างจังหวะเพียงไม่กี่นาทีจากนั้นมาก็ทํามาเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี20ทํามาก็ ปรกอบก็หลวงพ่อดูแลที่นี่เมียแล้วก็ถามหลวงพ่อถุงใส่แล้วก็ถามหลวงพ่อท่านก็พูดภาษาเมืองเลยตอนนั้นนะก็ฟังชอบฟังท่านคือคําสอนของท่านเนี่ยฟังแล้วถึงแม้เป็นภาษาอีสานเป็นภาษาเมืองเลยเราฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่บุคลิกท่าทางความตั้งใจความจริงใจของท่านนั้นสอถึงอะไรบางอย่างภายในของท่านซึ่งคําพูดของท่านอาจจะไม่จําเป็น แต่ว่าภาวะที่ท่านแสดงออกที่สื่อได้โดยใจสู่ใจจิตสู่จิตนี่แหละมันทําให้เราเราลุกขึกว่ามีกําลังใจในการที่จะทํานี่ทําไปทำมาบางครั้งมันก็มันก็เบื่อนะเนาะเดินจกรมทั้งวันสร้างจัาางหวะทั้วันบางครั้งมันเบื่อเบื่อก็ไปถามหลวงพอ่อหลวงพ่อทําแล้วทั้งวันเราเราทําบ้างทําบ้างไม่ทําบัางไม่ได้เลยหลวงพ่อก็ถามบอกว่านี่ เวลาขโมยมันเข้าบ้านมันบอกเราไหมว่ามันจะเข้าตอนไหนมันก็ไม่บอกอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เตรียมตัวตลอดเวลาเนี่ยความคิดความปรุงแต่มันจะขึ้นในใจของเรามันไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าตอนไหนเพราะฉะนั้นทำเพื่อที่คอยระมัดระวังถ้าสมมุติว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่ไม่ทำโดยเข้มแข็งเนี่ยตัว ส, สติสัญญาที่จะคอยระวังเฝ้าดูอาการของกายของใจเนี่ยมันขาดช่วงไหนความคิดมันเข้าช่วงนั้น มันขาช่วงไหนความคิดความม่วงความเบื่อมันเข้าช่วงนั้นให้ไปดูตัวนี้อันนี้เหตุผลของท่านว่าถ้าหากว่าสติสัมยาของเราอ่อนแอไปช่วงใดช่วงหนึ่งความคิดและการปรุงแต่งก็จะปรากฏทันทีเหมือนกันเหมือนกระโจนเมื่อไม่มียามแล้วมันก็เข้าบ้านเราน่ะอันนี้เป็นเหตุผลของท่านดังนั้นในการที่เราจะไปทําการเคลื่อนไหว โดยที่ทำมันเป็นนิสัยความคุ้นชินแทนสัญชตาตญาณที่เราหยิบจับจับฉวยอะไรด้วยความเคยชินเนี่ยเมื่อทําตัวนี้มากๆแล้วมันจะเริ่มรู้สึกเวลาเราจะเคลื่อนจะไหวอะไรมันรู้สึกเพราะมันเกิดอะไรไม่ใช่เขากเกิดทักษะเกิดความคุ้นชินนะนะเมื่อก่อนเราจะต้องการอะไรป้อมก็หยิบเลยจับเลยใช่ไหมแต่ต่อมาพอทำแบบนี้บ่อยเข้ามาเข้าเวลาจะหยิบจับจับเฉยแล้วมันมันเริ่มรู้บ้างมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรา คอยประคับประองแค่ไหนเพราะทำบ่อยเข้าบ่อยเ ข, ข้าปรากฏว่าตัวความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันจะค่อยกว้างขยายออกไปทีนิดเดียดนิ ด, นดเหมือนเราเราหยดน้ําลงพื้นดินนะหยดแรกๆเนี่ยมันก็าหายไปเลยนะหรือถ้าเป็นพื้นทรายก็ยิ่งหายไปนานเลยแหละหยดอยู่อย่างนั้นหยดโดยที่ไม่หยุดนานเข้านานเข้ า, น, า, น, ขาน้ําก็จะชุ่ม กว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปชั้นใดก็ดีไอการที่เรายกมือแวบๆไปเดินเจอการควารู้เ น, น, นี่ยมันหยดของความรู้สึกเนี่ยค่อยหยดลงไปหยดลงไปและตัวหยดของตัวรูน้นี่มันค่อยขยายกว้างลงไปกว้างออกไปครอบคลุมไปเรื่อยๆการขยายกว้างของความรู้สึกตัวที่เราทำทีละนิดทลนิดทีละขณะเนี่ยมันก็เป็นอํานาจของสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ขยายมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติก็ขยายเป็นตัวรู้กว้างขึ้นการขยายตัวรู้ที่กว้างขึ้นไปครอบคุมไปทั้งอายะวะในส่วนต่างๆของเรานี้เรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อมีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยจิตของเราที่มันเคยชินไปกับความคิดมันเริ่มมีมีรารารากของสติสัมผเริ่มเริ่มอยางนั้นหมายความว่าจิตของเราส่วนหนึ่ง มันเป็นอาการร่วมอยู่ในขันห้าใช่ไหมอยู่ในขันห้าเมื่อนั้นเมื่อจิตมันจะคิดอะไรส่วนหนึ่งที่มันมีตัวระลึกรู้อยู่ณนะปัจจุบันที่คอยรู้อยู่มันก็ออกไปไม่ไกลเอามานึกถึงในสมัยเป็นเด็กเวลาเรายิงหนังเซติกันนะเราดึงเต็มที่เลยเวลาปล่อยปั๊บไปไงมันก็กลับมาหลักของมันเวลาต้องการยิงแล้วก็ดึงใหม่นั้นหมายความว่าไง หมายความว่าความกําลังของสถิตสัญญาที่มันมีกําลังมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกําลังที่จะดูดกลับมาถ้าเราคิดมเมืไรเหมือนถึงว่าเราจะง้างหนังสติกยิงเวลาเราปล่อยปับ๊บปล่อยความคิดนั้นปับ๊บใจเราก็กลับมาอยู่ปัจจุบันอีกหนังสถิต ท, ที่หมดกับปัจจุบันนั้นเราดึงออกหมายถึงว่าเราดึงมาในอดีตหรืออนาคตนะแล้วปล่อยไปมันก็กลับไปที่เดิม ควารู้สึกตัวก็เหมือนกันพอเราทํามากขึ้นมันมีกําลังพอมันมีกําลังจิตของเราคิดออกไปอดีตเนีย่ยคตมันจะดึงกลับของมัเองนะคิดไปมันก็จะดึงกลับของมัเองดังนั้นกําลังของสติสนีจึงต้องถูกเพิ่มเตมิมเสริมกําลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าจากตัวสมผัสทำมากขึ้นมากขึ้นใช้มันบ่อยขึ้นเพจิตกำลัาตั้งปัจจุบันมากขึ้นเราเรียกอํานาจของสัมผัเปลี่ยนเป็นอะไรสมาธิคือความตั้งมัน่น ของจิต ท, ที่มาอยู่ปัจจุบันนะคือกลับมาอยู่ปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันปับ๊บเรียกว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันปับ๊บเวลาเราไปทำการทำงานอะไรก็ตามที่กายกับใจไปด้วยกันมันเกิดความผ่อนคลายเพราะอะไรเพราะไม่มีการสักยเยอะระหว่างกายกับใจเพราะกายกับใจไปด้วยกันมันก็เลยมีพลังแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีพลังเพราะว่าเกิดการสักเยอรเกิดขึ้น เพราะกายทําอยู่ตรงนี้แต่ใจอยู่ตรงนี้ด้วยไหมยอยู่เหมือนกันอยู่กี่เปอร์เซ็นห์เซ็สี่เซแต่มันวิ่งไปอดีตอนาคตเท่าไหร่แปดส้าสิร์เพลังมันก็หมดมันก็เกิดภาะวะขี้เกียจเหนื่อยนายทอ้อไม่สนุกใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าจิตเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นร้อยเปรซ็นเราอยู่แค่ห้าปซแต่ถ้าหากว่าสติสติยะมันมากขึ้นกายกับใจมาอยู่ร้อปอะไรเกิดขึ้นไม่ถึงร้อยเอาแค่ เก้าปดสิบ้าสิบมันก็โหเยี่ยมแล้วพระอนาคมีถึงแปดสิบเก้าสิบแล้วนะพระรหัสเต็มร้อยนะแต่ชั้นเราเนี่เอาแค่ยี่สิบห้าเปเซ็นี่สบายยีห้าปซ็นี่เป็นพระสวดวันนั้นนะแต่ว่าตลอดเวลานะั้นไม่ใช่อัพแอนดาวนะหมายเขาว่ามันจะดาวลงไปติดอยู่ที่ยี้าเปถ้ามันจะอัพขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมาครั้ถึงเป็นพระรหัส น, นะแต่ถ้าปล่อยมันดาวลงมามันอยู่แค่ลิมิตแค่ยีห้าอร์เซนั้นหมายความว่ารักษาระดับนั้้นนไวนะ แต่ถ้าหากว่าเราการที่เราใช้กายวาจาใจอย่างมีความรู้สึกัวทั่วพร้อมทุกขณะตอนนั้นเราต้องใช้อะไรสติมีกำลังมันสร้างสัมมชัญญาสัมมชัญญามีกำลังมันสร้างสมาธิสมาธิมีกำลังมันสร้างปัญญาปัญญามีกำลังมันสร้างการกระทาที่มีความ มีผลมีความรอบคอบมีความระเอยดถี่้วนมีความชัดเจนรวดเร็วว่องไวชัดเจนนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างไม่สิ่งว่าไม่ว่วาสิ่งที่เราพูดไม่ว่าสิ่งที่เราทําไม่ว่าสิ่งที่เราคิดมันก็จะถูกจัดการอะไรประจัดการตัวปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ามาถึงบอกก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้อยากจะใช้คาว่าลงทุนเนาะได้ลงทุนะ่ะ เอาชีวิตเนี่ยเป็นทุนเอาเวลานี่เป็นทุนเอาศรัทธาเป็นทุนเอาความเพียรเป็นทุนคือลงทุนทำอะ่ะแล้วผลออกมาเนี่ยโหมันวิเศษมากแต่ที่นี้บอกกันยากเหลือเกินเพราะว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของแต่ละคนที่จะทําเนี่ยเมื่อครั้งก่อนเคยพูดครั้งหนึ่งไม่รู้จําได้หรือเปล่าคุณสมบัติพื้นฐานของนักปฏิบัติพิปิศาหรือสมถะก็ตามมีห้าประการท่านผู้ใดจําได้บ้างมีอะไรบ้างหนึ่ง คุณสบัติพื้นฐานเลยนะเบสิกเลยนะไม่ใช่เรื่องถ้าไม่มี5ประการหมายความว่าคุณจะไปทำอะไรก็ไม่สำเร็จ 1. มีศรัทธา 2. วิริยะความเพียร 3. ส, สติ 4. ส, สมาธิ 5. ปัญ ญ, ญานี่เป็นคุณสบัติพื้นฐานต้องมีใน5อย่างนี้2ตัวต้องมีปัญญาพื้นฐานคือศรัทธาและความเพียรส่วนเมื่อศรัทธาและความเพียรถูกต้องแล้ว สติสมาธิปัญญามันมาเองแต่ถ้าหากว่าสถานและความเพียรไม่ถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็ไม่มาเหมือนกันนะสองตัวนี้เป็นตัวกาหนดเช่นอะไรเอาวิริยะเลยนะเช่นวิริยะที่มันถูกต้องที่จะนามาซึ่งสติสมาธิปัญญาทำงานอย่างไรนะเช่นในตัววิริยะนี้กับตัวสัมมาวายามะเป็นอันเดียวกัน คือความเพียรที่เราทำยกมือสร้างจาังหวะเดินจงกรมเนี่ยเป็นตัวอุตสาหะนะยังไม่เป็นตัววิริยะนะตัวอุตสาหะคือตัวขยันเฉยๆแต่ถ้าหาตัวขยันนี้ถูกทำให้มันถูกคือเป็นสัมมาวายมะหรือเป็นวิริยะเนี่ยก็คือหนึ่งที่เราทำนี้ต้องระวังระวังอะไรที่เราทำต้องระวังหนึ่งเพ้อคิดใช่หมสอง เผลอในการที่จะง่วงสามเผลอในการหมุนหงิดสี่เผลอที่จะขี้เกียจห้าเผลอที่จะคิดสงสัยลังเลเยเอย่าเผลอต้องระวังแต่เนื่องจากว่าสติสมรยัติของเรายัางไม่สมบูรณ์ถึงแม้เราจะระวังขนาดไหนมันก็ยังเกิดอยู่ดีแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วต้องใช้วิธีข้อที่สองคือประหารแก้ไขกําจัด บําบัดเอาออกไปทันทีถ้ามันเผลอคิดตัดความคิดออกทันทีมันเผลอง่วงจัดการความง่วงออกันทีข้าวทันทีเหมือนเดิมมันเผลอฟุ้งซ่านนะก็จัดออกทันทีอันที่หนึ่งระวังนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอันที่สองเมื่อเผลอเกิดต้องประหารแก้ไขทันทีอันที่สามต้องเพิ่มตัวกําลังตัวรู้สึกตัวนั้นให้มากขึ้นอันที่สี่ เมื่อมากได้ระดับแล้วรักษาระดับให้คงที่แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งระดับขั้นที่หนึ่งอีกคอยระวังอีกหมุนอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้เรียกว่าตัวสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยองค์ธรรมของมันเองนะเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาตัวความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีมากขึ้นมากขึ้น ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เองมันจะไปสร้างเพราะนั้นตัวสตินั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องสติที่เราทำานี่ก็อาจจะเป็นสติที่พัฒนาไปสู่มิจฉาสมาธิเช่นเราเพ่งจิตไปเกิดโฟกัสจิตเกิดสะกดจิตให้รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยจิตก็จะถูกบังคับอยู่กับอารมณ์นั้น ถามว่าเราบังคับให้มันมันเป็นอะไรอ่ะเอครับให้จิตมันมันสงบเพื่ออะไรอ่าต้องหาคําตอบกนเราทําเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบแล้วสงบเพื่ออะไรเออต้องหาคําตอบสุดท้ายให้ได้ถ้ามันสงบแล้วจะทําอะไรตรงนี้เราไม่แยบคายเราอยากใช่ไหมอยากให้มันสงบไอ้การที่แต่โดยธรรมชาติของจิตนี่มันไม่สงบมันจะต้องไปไงหน้าที่ของมันต้องรับรู้อารมณ์ใช่ไหม รับรู้อารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามหลักของมันเพราะนนหน้าที่าหารเราไปสะกดไปบังคับ ม, มันมันสงบมันจึงผิดตั้งแต่แรกเพราะไปบังคับมันแต่หน้าที่ของเราไม่ต้องบังคับแต่ให้ให้จิตได้ทำงา น, น, นเหมือนกับเด็กอะ่ะถ้าสมมติว่าจะเราเลี้ยงเด็กนะบางคนเคยเลี้ยงเด็กถ้าสมมติว่าเราเด็กมันซนเราจะมัดเด็กติดหลักที่ใดที่หนึ่งเนี่ย ถูกต้องไหมเด็กมันก็ร้องไห้บางทีอาจจะมันอาจจะกลัวนะอาจจะอาจจะได้พักหนึ่งนะทีนี้เราจะทำไงให้เด็กอยู่โดยที่ไม่ซนแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยทำงไงแม่ทั้งหลายรู้ดีนะก็คือซื้อของเล่นให้เด็กใช่ไหมของเล่นชิ้นเดียวเด็กเล่นไม่นานก็เบื่อใช่ไหมก็เลิกไปหาเล่นใหม่ของเล่นหลายชิ้นหามาหลายๆชิ้น เด็กก็จะเล่นงูอ้นอยู่ในทั้งวันเบื่อชิ้นนี้ก็ไปชิ้นนั้นเบื่อแต่ว่ามันอยู่ในบริเวณนั้นชั้นใดก็ดีเรารู้ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ต้องรับรู้อารมณ์มันสงบไม่ได้นะรับรู้อารมณ์นั้นก็ต้องหาอารมณ์ให้มันเล่นอารมณ์ให้มันเล่นแล้วเมื่ออารมณ์ไม่เล่นมีอารมณ์อะไรบ้างก็คือตัวทางกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของจิตได้ ท่านก็ใช้ลมหายใจบ้างอิริบทสีบ้างลีบทย่อยบ้างท่าสีบ้างอาการส2บ้างอัสูบผ้าบ้างไม่ให้มันเล่นแต่ที่ถ้าเล่นไม่เป็นมันก็ไปอีกเรื่องนึงถ้าจะมาเล่นโดยอนาปนาสิกําหนดลมหายใจเข้าออกทุกรูปแบบมันก็เหมือนของเล่นชิ้นเดียวเล่นได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เบื่อเข้าก็ออกออกก็เข้าสักพักมันก็เบื่อมันก็หลับมันก็ง่วงไปแต่ หลวงพ่อเทียนท่านมาใช้สองอันนี้บวกกันคืออีบทตสีและอีบุตรย่อยและในอีบทตสีนี้แต่ละอีบทก็จะมีตัวอีบุตรย่อยแทรกอยู่เช่นอีบทนั่งเนี่ยมีกี่เดบทอ่าเรามาเล่นท่านี้สักพักหนึ่งท่านี้หมดท่าแล้วเปไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่าพ้าเขียบซ้ายเปลี่ยนพ้าเขียบขวานั่งคุกเข่านั่งทับซนนั่งคัสมาศดึงสองสามนั่ง เหยียดขานั่งเก้าอี้ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเบื่อจากการนั่งแล้วแล้วก็เปไงเปลี่ยนมาเป็นยืนสร้างจังหวะอีกยืนแล้วมันก็เบื่อเปลี่ย น, น, น, นเป็นเดินเดินไปข้างหน้ามันเบื่อไปไงเดินถอยหลังเดินช้ามันเบื่อไปไงมีอุปกรณ์ให้มันเล่นหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการเปลีนนย่ยนอิยาบถบ่อยๆจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาด แต่การไม่เปลี่ยนยีบทอาจจะผิดพลาดเพราะอะไรเพราะ ม, ามันไปบล็อกกฏการทำงานของไตรลักษณ์นะเมื่อไปบล็อกการทำงานของไตรลักษณ์ก็มีโทษทำให้เราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราชาเราเกร็งเราเครียดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันดังนั้นการที่เราเปลี่ยนยีบทเลยแต่ว่าในการเปลี่ยนนั้นต้องมีความรู้สึกตัวในการเปลี่ยนเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ตัวสติสมถิปัญญาได้พัฒนา แต่ถ้าเราเปลียนโดยที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นความเคยชินใช่ไหมอย่างที่เราเคยเป็นมาเปลี่ยนด้วยความไม่รู้สึกตัวอะไรเกิดก็คืออวิชชาเกิดโมหะเกิดอ่ะมันก็เลยการปฏิบัติของเราแทนที่มันจะเป็นสติสมาธิปัญญาก็กลายเป็นตัวตัณหาเกิดขึ้นมาแทนดังนั้นอันนี้คือเบื้องต้นที่สุดต้องจำหลักอันนี้ไว้ให้ดีว่าการที่จะทาให้กาลังของสติสมาธิ ปัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้มันมีกําลังนั้นจะต้องใช้ความเพียรอย่างที่ว่าวันนี้ก็คือหนึ่งระวังในสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคต่ อ, อตัวรู้ตัวกายกับใจรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยให้เปลี่ยนคือปรับออกไปอันที่สองเมื่อปรับพ อ, อแล้วทําให้กําลังของความรู้สึกตัวมีกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่สามเมื่อมันเพิ่มขึ้นแล้วต้องบริหารต้องใช้มันให้เป็นนะแล้วก็จะเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ย ชีวิตของเราก็รู้สึกว่ามีงานทําถ้าสมมุติว่าเราจะเดินสถิตแบบนี้เป็นแล้วจําเป็นไหมจะต้องนั่งซั่งจังหวะและเดินชมกลมอยู่กับพี่ตลอดเวลาไม่เลยนะเราจะทําครัวก็ได้ซักผ้าก็ได้ใช่ไหมทำครัวซักผ้าถูบ้านขุดดินทําอะไรต่างๆแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องบาลานซ์ตัวความรู้สึกตัวเสมอในขณะที่เราทำเนี่ยความรู้สึกเราอยู่ที่ไหน และรู้สึกสักเท่าไหร่ถึงมันจะมันถึงจะสมดุลก็หมายความว่าสิ่งที่เรากำลังเข้าไปทำอยู่เนี่ยสักสมมติเราจะมาจะต้องการสิ่งนี้มาก็จะส่งจิตไปสู่นี้แค่ 30% เอร์ซแต่ให้จิตตามไปกับการเคลื่อนไหวซะเจ็เอร์ซถ้า 60-40% ี่นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่ห0 5 0ิเสี่ยงมากเอาเจ3 0ไว้ก่อนหมายความว่าเจอยู่ที่ความรู้สึกตัวที่เราจะจับ 30% เอร์ซแล้วส่งใจไปที่นี่ แต่ว่าในชีวิตจริงของเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เจอในสติเป็นไง 90% อยู่ที่นี่แปล ว, ว่า1มันอยู่ที่นี่อันนี้ไปเบาหิวเลยไม่รู้สิบตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการที่เราจะนําไปใช้ต้องแน่ใจว่าเราได้อยู่อิเดียบท้องการเคลื่อนไหวเนี่ยชำนาญแล้วหรือยังเราตามรู้การเคลื่อนไหวในอิเดียบท4เราทําในอิเดียบทสี่อิเดียบทย่อยขนาดที่เรานั่งเราเดินเนี่ยชัดเจน ไม่หลงลืมแล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อเราไปทำงานเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินที่ง่ายต่อการหลุดใช่ไหมถ้าหากเราไม่ชำนาญจริงๆในการเคลื่อนไหวนั้นมันก็หลุดง่ายที่การที่จะไปอยู่กับสิ่งนี้นะอันนี้เป็นตัวบริหารตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระทำไมจึงว่าอย่างนั้นปัญญาที่เป็นโลกุตระต้องการเพียงความชัดเจนและแม่นยาเท่านั้น ความชัดเจนที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งนี้มันจะไวหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของเราว่าการเจริญสติที่ถูกต้องหรือการได้สนองต่อต้องไม่จําเป็นแต่ว่าเราต้องช้เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าเราแม่นยำและชัดเจนในการตัวรู้ที่เราส่งไปไหมนะแล้วก็ประการสําคัญก็คือต้องดึงจิตกลับมาศึกษาในปัจจุบันเสมอแล้วนับปัจจุบันนี้เรานั่งไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกในตัวของเราเปไ็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแหละนั่นตอนแรกรู้สึกสบายใช่ไหมปลอดโปรง่งตอนนี้รู้สึกเป็นไงง่วงนิดๆอับอ้าวหน่อยๆปวดขาใช่ไหมเหนื่อยล้าขึ้นมาอันนี้การทํางานของอะไรการทํางานของไต่รักที่เป็นนิจจัทุกขังหน้าตาดังนั้นตัวรู้สึกตัวที่เราทําเนี่ยให้รู้ลงไปชัดๆในสิ่งที่ปรากฏเมื่อเราเห็นอย่างนี้ถ้าเรา เห็นทุกขเวทนาที่กำลังเกิดในตัวเราไม่ชัดเวทนานั้นมันก็จะเป็นเราเราก็จะไปเสวยเวทุกขเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นชัดๆเวทนาที่เรากำลังเสวยอยู่นี้มันเป็นอะไรอั น, นิจจังทุกขังอนัตตากำลังทำงานยิ่งนานเท่าท่าไหร่วงรอบของอ น, นิจจังทุกขังทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆวิธีบริหารทำไง เราก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้ยืนรีบุตรให้สบายนั่งให้สบายปรับเปลี่ยนให้สบายให้เบามเมื่อเลื่อนลมเขาได้ไหลเวียนสบายมันก็เกิดการเบาทุกเวทนาก็ผ่อนคลายดังนั้นในชีวิตประจำวันจึงต้องการเจริญสติแบบนี้โดยการรู้ตัวรวมกายรวมใจเข้าเดียกันเสมอในช่วงไหนที่เราทําอะไรรู้สึกว่ากายกับใจเริ่มหนีห่างเริ่มออกบ่อยเข้าอาจจะให้หยุดกิจกรรมสิ่งนั้นสักพักหนึ่งก่อน หรือคามดาวลงคือหมายก็าว่าทำให้ให้ช้าลงทําสิ่ง น, นั้นให้ช้าลงแล้วด้วยิ่งไวรู้สึกว่ายิ่งการทำงานของแตรักยิ่งแรงขึ้นก็ให้เกิดผลตามมาแรงขึ้นก็ให้เกิดความเสื่อมความชราความเหน็ดเหนื่อยความหนักน่วงความเร่าร้อนความหิวกระหายมี ม, มีมีกำลังมากขึ้นแล้วก็มาลดผ่อนเบาเงื่อนไขของมันมาคือลดการหมุนเวียนและเสด็จสีให้ช้าลง ก็กดอันนี้ก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเราเกิดความผ่อนคลายเบาสบายดังที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดการทํางานของกฎไตรักษณ์ในรูปได้ร100อเปอร์ซเพราะมันเป็นรูปนี้เป็นวิบากขันที่จะต้องอาศัยตัวไตรักษณ์โดยการผ่านเวทนาเป็นที่เสวยผลกรรมก็คือสุขบ้างทุกบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างสลับกันไป ทีนี้ในกรณีที่เรามาปฏิบัติวิปัสนาโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป้าหมายของเราคือความสงบและความสุขแต่ความสงบและความสุขที่แท้จริงคือความสงบความสุขที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นมันเป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ความสุขสงบที่เราปรุงแต่งหรือเป็นความสุขสงบที่เราสะกดหรือสร้างขึ้นมาแต่มันเป็นเองเป็นเองโดยกลไกของธรรมชาติเราจะทาอย่างไร พราเรารู้ว่ากลไกของใจรักถ้ามันหมุนอยู่ในกายเนี่ยกายก็ต้องเป็นไปตามกฎของกรรมแต่ถ้าหากว่าเราเจริญสติสมาธิความรู้สึกกัวทั่วพร้อมไม่เข้มแข็งเราก็จะไปสําคัญมั่นหมายทุกเวทนาที่เราเสวยนี้เป็นเรานั้นมันก็จะซึมเข้าสู่ตัวจิตก็เป็นทุกเวทนาทางจิตเมื่อทุกเวทนาทางจิตปั๊บมันก็เกิดความรู้สึก สบายไม่สบายกว่าคุณลึงเครียดเขารู้สึกหนักเขารู้สึกไม่สนุกตัวนี้ก็กลายเป็นความรู้สึกภายในเป็นอะไรเป็นนามารูปใช่ไหมเมื่อเป็นนามารูปมันมีไม่ได้น้ำล้วนๆนี่มันมีรูปติดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปติดอยู่แต่รูปของที่ปรากฏในนามนั้นมันไม่ใช่รูปเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นท่อนเป็นอ่าชิ้นอย่างนี้แต่มันเป็นอะไรรูปที่ปรากฏในใจเนี่ยเขาเรียกรูปอะไรเรียกอิมเมจใช่ไหม Imagination คือรูปของปรากฏภาพในใจเหมือนภาพสไลด์ที่ปรากฏจึ้งขึ้นมาเป็นนามาูปละนะดามาูปสกิดแล้วามไม่ทันมันก็ขยับให้เป็นตัวสังขารใช่ไหมตัวสังขารก็คือทำให้รูปนั้นเกิดการเคลื่อนไหวเหมือนภาพอะ่ะพอรากดพอปั๊บมันหยุดใช่ไหมแต่พอกดเพลงปั๊บมันก็เวิร์กละทีนี้ก็เลิน ไอ้ตัวเป็นเพลแล้วเป็นตัวสังขาร แ, แสดงบทบาทก็คือความคิดเริ่มทํางานพราะความคิดเริ่มทํางานก็เริ่มกินพลังงานนะตัวนั้นก็เป็นการทํางานรูปเริ่มทํางานเป็นหน้าที่ของอนิจังทุกขังนาตาเข้าไปทํางานในนามด้วยเพราะฉะนั้นนามบมรรลุก็ทํางานต่อไปนะนามรูปก็ให้เกิดสังขารนึเกิดนามบรรลุนามบรรลุก็ให้เกิดอะไระสลายจัตนะสละเกิดภายาสวิทนาจตนาไปตามลําดับจนไปถึงตัวชลา นะอันนี้ก็ตัวเวทนาที่มันทำให้อ่าที่เวทนาในขันห้าหรือเวทนาที่อยู่ในกายที่เวทนาในขันห้านั้นเราสามารถบล็อกได้อยู่ตรงนั้นด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาเพราะสติสมาธิปัญญานั้นจะไปเปลี่ยนการทำงานของตัวสัญญาสังขารวิญญาณเปลี่ยนยังไงก็ด้ยวยความรู้ตัว ความรู้ตัวนี้เรียกว่าวิชานะดูด้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถสกัดกั้นลอยต่อระหว่างความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายให้ไปสู่ใจได้นั่นก็หมายความว่าตัวกฎของใจรักก็จะไปทํางานในจิตของเราจิตของเราก็จะสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วตัวกฎใจรักก็ตามไปสู่นามเรียกว่ารูปเรียกว่านามมารูป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นเองว่าตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจึงต้องทำให้มากแต่ว่าเราไม่ต้องไปตามดูมันขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มาอยู่ที่กายเนี่ยเห็นเฉพาะกายโดยจิตไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างอื่นก็เป็นใช้ได้ง่ายง่ายนะดังนั้นเองอันนี้คือส่วนที่อยากจะนาเสนอเบื้องต้นว่าสติเมื่อทำมากเข้ามากเข้าแล้วพัฒนาเป็นอะไร เป็นสมัชย์ยะสมัชยะพัฒนามากเข้าเป็นสมาธิสมาธิพัฒนานานเข้าเป็นปัญญาปัญญาพัฒนานานเข้ามันก็จะเป็นวิชาที่จะมาสกัดกัน้นไม่ให้กฎของไตรลักษณ์ที่อยู่ในรูปไปสู่นามมันก็จะเป็นนามล้วนๆคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมล้วนๆนะแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายที่นีก็จะรักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆ เรื่องที่มันจะไปเป็นตันหาความอยากอะไรต่างๆแล้วก็กลับมาตั้งต้นตัวนี้เสมอกลับมาตั้งต้นตัวรู้สึกในรูปนามเพราะฉะนั้นในวิธีการของพุทธิยนนั้นอารมณ์รูปนามจึงเป็นอารมณ์ที่สําคัญในเบื้องต้นนะเพราะว่ามันเป็นที่มันง่ายมันเห็นชัดโดยเฉพาะโยมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีการมีงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาซักซ้อมหรือเข้าคอร์สทีละห ล, หลายวันนะก็โอกาสที่จะมาทําเยอะๆก็ไม่มี เพราะฉะนั้นในการจเจริญสติท่านจึงแบ่งว่าเป็นสองรูปแบบรูปแบบม น, นแรกคือตามรูปแบบอย่างที่ว่ามามิคิคือเดินจูกรมสร้างจังหวะรูปแบบอันที่สองเมื่อเราไม่สามารถที่จะต้องมาเข้ารูปแบบเดินจูกรมสร้างจังหวะเป็นระยะเวลา3วันหวัน7ดวันเราก็นำเอาการกระทำนี่ไปทําในหน้าที่การงานคือมีสติในการเคลื่อนไหวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะแล้วทำไปบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะต่อกระเด้ง แต่ประการสาคัญก็คือเราจะต้องรู้เป้าหมายก่อนว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคำตอบอยู่เบื้องต้นใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขของชีวิตเราจะต้องหาได้ในปัจจุบันเมื่อนับปัจจุบันแล้วเราจเจริญสติสัญญะให้ชัดเจนแล้วจิตของเราก็จะเกิดความผ่อนคลายนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่มานาเสนอเท่านี้ก่อนแล้วต่อไปเป็น การสาธิตสร้างจวะร่วมกันสาธิตสร้างจวะรุ่มกันสักพักหนึ่งแล้วค่อยสุทนาถามปัญหากันพอตนี้เริ่มพร้อมกันอตั้งแบบีิธีบทใหม่